สักกะบับพพวรนนาเมื่อกษัตริ์ทั้งสององค์คือพระเวสสันดรและพระนางมศัศีตรัสัมโมธนียกถาต่อกันและกันอยู่อย่างนี้ท้าวสักกะเทวราชทรงดำริว่าเมื่อวันวานนี้พระเวสสันดรมหาราชนี้ได้ประทานปิยบุตรแกชูชกพรามทำให้แผ่นดินไหว บัดนี้ถ้าจะมีคนต่ำช้าผู้หนึ่งไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระนางมาศีผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งปวงมีศีลาจารวัตบริบูรณ์พาพระนางมาศีไปทำให้เท้าเธออยู่คนเดียวแต่นั้นเท้าเธอก็จะเปล่าเปลี่ยวขาดผู้ปฏิบัติอยากระนั้นเลยเราจะจำแรงเพศเป็นพรามไปเฝ้าเท้าเธอทูลขอพระนางมาี ให้ถือเอาทานนั้นเป็นยอดแห่งทานบารมีทำให้ไม่ควรสละแก่ใครๆและถวายพระนางเจ้านั้นคืนเท้าเธอไว้อีกแล้วกลับเทวสถานของเราเท้าสักกะเทวราชนั้นได้เสด็จไปสู่สำนักแห่งพระบรมโพธิสัตว์ในเวลาพระอาทิตขึ้นพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่า ลำดับนั้นเมื่อราตรีสิ้นไปพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาเท้าสักกะเทวราชทรงจำแรงเพศเป็นพรามได้ปรากฏแกสองกษัตรินั้นแต่เช้าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าได้ปรากฏแกสองกษัตรินั้นแต่เช้าปาโตเนสังอาทิสถะความว่า เท้าสักกะปรากฏตัวยืนอยู่เบื้องหน้าของกษัตริย์ทั้งสองแต่เช้าทีเดียวก็แลครั้นประทับยืนอยู่แล้วเมื่อจะทรงทำปฏิสันฐานจึงตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่มีโรคาพาธหรือหนอพระคุณเจ้าทรงพระสําราญดีหรือพระคุณเจ้าทรงเยียวยาอัตภาพด้วยการแสวงหาพลาหารสะดวกหรือ ทั้งมูลมันผลไม้มีมากหรือเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีน้อยแลหรือในป่าอันเกลื่อนกลนไปด้วยพาลมาลึกไม่มีมาเบียดเบียนแลหรือเมื่อเท้าสักกะเทวราชทูลถามอย่างนี้แล้วพระมหาสัตว์เมื่อทรงธทำปฏิสันฐานกับเท้าสักกะเทวราชนั้นตรัสว่าแน่พราหมณ์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 มีชีวิตอันตรงเกรียมมาตลอดเจ็ดเดือนเราเห็นพรามผู้มีเพศดังเพศแห่งเทพถือไม้เท้าสีดังผลมาตูมสุกและทรงหนังเสือเหลืองเป็นเครื่องปกปิดกายแม้นี้เป็นคนที่สองแนมหาพรามท่านมาดีแล้วอันหนึ่งท่านมิได้มาร้ายแน่ท่านผู้เจริญเชิญท่านเข้าไปภายในเถิด เชิญล้างเท้าของท่านเถิดผลมาพลับผลมาหาดผลมาสางผลหมากเมามีรสหวานปานน้ำพึ่งเชิญเลือกฉันแต่ผลที่ดีๆเถิดท่านพราหมณ์แม้น้ำฉันนี้ก็เย็นสนิทเรานำมาแต่ซอกเขาแนมหาพราหมณ์ถ้าท่านจำานงหวังก็เชิญดื่มตามสบายเถิดพระมหาสัตว์ ทรงทำปฏิสันฐานกับพราหมณ์นั้นอย่างนี้แล้วตรัสถามว่าดังเราขอถามท่านมาถึงป่าใหญ่เพราะเหตุปัจจัยอะไรหนอะเราถามแล้วขอท่านจงบอกความนั้นแก่เราเถิดพระมหาสัตตรัสถามถึงเหตุที่เท้าสักกะมาด้วยประการชนิลำดับนั้นเท้าสักกะเทวราชทูลสนองว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้าข้าพระองค์เป็นคนแก่มาในที่นี้เพื่อมาทูลขอประทานพระนางมสีอัครมเหสีของพระองค์ขอพระองค์โปรดประทานพระนางเจ้านั้นแก่ข้าพระองค์ตรัสคาถาว่าห้วงน้ำในปัญจะมหานทีเต็มเปี่ยมไม่มีเวลาเหือดแห้งฉันใดพระองค์มีพระหฤทยัย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 อาตมาจะต้องอยู่ในป่ารูปเดียวเท่านั้นจกให้มัสซีแก่ท่านได้อย่างไรดังนี้เป็นเพียงดังวางถุงกะหาปณ ะ, ะพันหนึ่งลงบนมือของบุคคลผู้ที่เหยียดออกรับมีพระมนั์ไม่ขัดไม่ค้องไม่หดหูเป็นราวกะยังผูผาให้บรรลือลั่นตรัสคาถาว่าแน่พรามเราย่อมให้มิได้วันไว ท่านขอสิ่งใดเราก็จะให้สิ่งนั้นเราไม่ซ่อนเร้นสิ่งที่มีอยู่ใจคงเรายินดีในทานบรรดาคาเหล่านั้นคำว่าไม่ซ่อนเร้นสิ่งที่มีอยู่สันตังนับปฏิคุยหามิได้แก่ไม่เก็บซ่อนสิ่งที่มีอยู่ก็แลพระมหาสัต์ครั้นตรัสอย่างนี้แล้วทรงนำน้ำมาด้วยพระเต้าทันทีทีเดียว หลังน้ำลงในมือของพรามพระราชทานปิยะธารทานแก่พรามมหสัสจรรย์ทั้งปวงมีประการดังกล่าวแล้วในหนหลังได้ปรากฏในขณะนั้นนั่นเทียวพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระเวสสันดรผู้ประดุงสีพีรัฐให้เจริญทรงกุมหัดพระนางมศัศีจับเต้าน้ำหลังอุทกวารี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 ทรงเพ่งดูพระราชสวามีโดยดุษณีภาพโดยทรงเคารพเชื่อถือว่าเท้าเธอทรงทราบซึ่งสิ่งอันประเสริฐบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพระราชทานให้เป็นทานอัาทานังความว่าพระเวสสันดรมหาสัตรัสว่าแน่พรามผู้เจริญพระสัพพัญญตยานเท่านั้นเป็นที่รักของอาตมา ยิ่งกว่าแม้พระนางมัสีร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าขอทานของอาตมานี้จงเป็นปัใจจัยให้ได้บรรลุพระสัพพัญยุตยานแล้วได้ทรงบริจาคปิยธารทานสมจริงดังพระพุทธดำรัสที่ตรัสไว้ว่าเมื่อตถาคตเป็นพระเวสสันดรบริจาคชาลีและกันหาชินาซึ่งเป็นบุตรธิดา และพระมาีเทวีผู้เคารพยำเกรงในพระราชสวามีมิได้คิดเสียดายเลยเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้นบุตรทั้งสองเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่ได้พระมาีเทวีไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้แต่สัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราฉะนั้นเราจึงได้ให้ของอันเป็นที่รัก บรรดาคําเหล่านั้นคําว่ากัมปนาตหวั่นไหวสมกะะัมปะทะได้แก่แผ่นดินไหวจรดถึงน้ําข้อว่าพระนางมัซีมิได้มีพระพักเงางอดเนวั ส, สะมัตทีพักกุตีความว่าภิกษุทั้งหลายขณะนั้นพระนางมสซีมิได้มีพระพักสยิวเพราะกลิ้วว่าพระราชาเวสันดรประธานเราให้พรามณแก่ คำว่ามิได้ทรงขวยเขินและมิได้ทรงกันแสงณนะสันคียติณนะโรทติความว่ามิได้ทรงเก้อเขินมิได้ทรงกันแสงจนน้ำตาเต็มพระเนรทั้งสองด้วยทรงคิดว่าพระองค์ทรงทอดพระเนรดูสามีใหม่คนนี้ทั้งทรงดุษณีภาพด้วยเข้าพระไทยว่าพระองค์เมื่อพระราชทานนางแก้วเช่นเรา จากไม่พระราชทานอย่างไรเหตุผลพระสวามีของเรานี้แหละทรงทราบสิ่งที่ประเสริฐอธิบายว่าพระนางมัซซีประทับยืนทอดพระเนตรดูพระพักของพระเวสสันดรซึ่งมีวันณะดังดอกปทุมบานลำดับนั้นพระมหาสัตว์ทอดพระเนตรดูพระพักของพระนางมัซซีด้วยทรงคิดว่ามัซซีจะเป็นอย่างไร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 ทรงปรารถนาจะขายหรือจะฆ่าพึงทรงขายทรงฆ่าได้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าของพระองค์ยศะความว่าหม่อมชั้นเป็นมเหสีสาวของพระองค์ท่านใดพระองค์ท่านนั้นแหละเป็นพระพัสดาด้วยเป็นใหญ่ด้วยของหม่อมชั้นพระองค์ท่านปรารถนาจะพระราชทานแก่ผู้ใดก็พึงพระราชทานแก่ผู้นั้น หรือเมื่อต้องการซั์ก็พึงขายหม่อมชันหรือเมื่อต้องการเนื้อก็พึงฆ่าหม่อมชันเพราะฉะนั้นพระองค์จงกระทําสิ่ง ท, ที่ทรงชอบพระไทยเถิดหม่อมชันไม่โกรธลำดับนั้นเทา้าศักะเทวราชทรงทราบอธัธยาศัยอันประนีตของกษัตริย์ทั้งสองจึงทรงชมเชยสองกษัตริย์นั้น พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบชัดซึ่งความดำริของสองกษัตริย์แล้วจึงตรัสชมว่าทาทั้งมวลที่เป็น่าศึกทั้งเป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์พระองค์ทรงชนะได้แล้วปัตถีก็บรนลือลั่นเสียงสนั่นบันลือไปถึงไตรทิพสายฟ้าแลบอยู่แปลปราบโดยรอบ เสียงสะทานปรากฏดังหนึ่งว่าเสียงภูเขาถล่มทลายเทพเจ้าสองหมู่ผู้สิงสถิตยอยู่ที่นารทบันพศถวายอนุโมทนาแก่พระนอทศพลเวสันดร น, นั้นพระอินพระพรมพระประชาบดีพระโสมพระยมทั้งเท้าเวสว ร, ร์มหาราชและเทพเจ้าทั้งปวงย่อมถวายอนุโมทนาว่า พระเวสันดรบร ม, มกษัตริย์ทรงกระทํากรรมที่ทําได้ยากแท้เมื่อสัตว์บุรุษทั้งหลายให้สิ่งที่ให้ได้โดยยากกระทํากรรมที่บุคคลทําได้โดยยากอสัตบุรุษย่อมทําตามไม่ได้เพราะว่าธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายอันอสัตบุรุษนําไปได้โดยยากเพราะฉะนั้นต่อจากนี้คติของสัตว์บุรุษ และของอสัตบุรุษย่อมต่างกันอสัตบุรุษย่อมไปนรกสัตบุรุษมีสวรรค์เป็นที่ไปการที่พระองค์เสด็จมาอยู่ในป่าได้พระราชทานสองพระราชกุมารและพระมเหสีให้เป็นทานนี้ชื่อว่าเป็นพรหมยานไม่เป็นยานก้าวลงสู่อบายภูมิขอมาหาทานของพระองค์นั้นจงผลดผลในสวงสวรรค์ บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าที่เป็นฆาสึกปัจจุหาได้แก่ผู้ประสงค์ร้ายคำว่าเป็นของทิพทิพภาได้แก่ห้ามเสียซึ่งทิพยสมบัติคำว่าเป็นของมนุษย์มนุกษาได้แก่ห้ามเสียซึ่งมนุษยสมบัติถามว่าทำเหล่านั้นคือทำเหล่าไหนาตอบว่า ธรรมคือความตรนีความตรณีทุกอย่างนั้นอันพระมหาสัตว์ผู้ประทานโอรสทิดาและมเหสีทรงชนะแล้วพระเหตุนั้นท้าสักกะเทวราชจึงตรัสว่าธรรมทั้งมวลที่เป็นข้าศึกพระองค์ทรงชนะได้แล้วด้วยข้อว่าพระเวสสันดรบร ม, มกษัตริย์ทรงกระทากรรมที่ทำได้ยากแท้ทุกกรรังหิ กระติโสเท้าสักกะเทวราชตรัสว่าเทวดาทั้งปวงเหล่านั้นอนุโมทนาอย่างนี้ว่าพระราชาเวสันดร น, นั้นประทับอยู่ในป่าพระองค์เดียวเท่านั้นเมื่อประทานพระมเหสีแก่พราหมณ์ย่อมกระทํากรรมที่ทําได้โดยยากดังนี้เท้าสักกะเทวราชเมื่อทรงทําอนุโมทนาจึงตรัสคาถาว่าการที่พระองค์ ยะเมตังเป็นต้นคำว่าสเสด็จมาอยู่ในป่าวเนวสังได้แก่ประทับอยู่ในป่าคำว่าพรหมยาณพรหมยานังได้แก่ญาณอันประเสริฐก็ธรรมคือความสุดจริตสามอย่างและธรรมคือการบริจาคเห็นปานี้ย่อมเป็นปัจจัยแห่งอริยมรรคดังนั้นจึงเรียกว่าพรหมยาน เพราะฉะนั้นพรหมยานนี้จึงสำเร็จแก่พระองค์ผู้ให้ทานในวันนี้เพราะไม่ต้องเสด็จไปสู่อบายภูมิข้อว่าขอมหาทานของพระองค์นั้นจงเพลิดผลในสวงสวรรค์สักเคเตตังวิปัจจตุได้แก่ขอให้มหาทานจงให้พระสัพท์พันยุตยานในที่สุดแห่งวิบากนั่นเชียว ท้าสักกะเทวราชทรงอนุโมทนาแด่พระเวสสันดร อ, อย่างนี้แล้วทรงดําริว่าบัดนี้ควรที่เราจักไม่ชักช้าในที่นี้ถวายคืนพระนางมัซีแด่พระเวสสันดรแล้วกลับไปแล้วตรัสว่าข้าพเจ้าขอถวายพระนางมัซีพระมเหสีผู้งามทั่วสารพางคืนให้พระคุณเจ้า พระองค์เท่านั้นเป็นผู้สมควรแก่พระนางมสซีและพระนางมัซีก็คู่ควรกับพระราชสวามีน้ำนมและสังทั้งสองนี้มีวันละเสมอกันฉันใดพระองค์และพระนางมัซีก็มีพระหฤทัยเสมอกันฉันนั้นทั้งสององค์เป็นกษัตริย์สมบูรณ์ด้วยพระโคดเป็นอุปโตสุชาติทั้งฝ่ายพระชนนีและพระชนก ทรงถูกขับไล่จากแว่นแคว้นมาอยู่ในอาสมราวป่าบุญทั้งหลายที่พระองค์กระทำมาแล้วฉันใดขอพระองค์ทรงให้ทานกระทำบุญอยู่ร่ำไปฉันนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นผู้สมควรฉันโนได้แก่เป็นผู้เหมาะสมคำว่าทั้งสองนี้มีวันณะเสมอกันอุโพ สมานวันนิโนได้แก่ทั้งสองมีวันนะเสมอกันบริสุทธ์แท้คำว่ามีพระหฤทัยเสมอกันสมาะมนะมณเจตสาได้แก่ประกอบด้วยใจกล่าวคือมณะที่เสมอกันโดยคุณมีอาจาระเป็นต้นคำว่าทรงถูกขับไล่อวรุธเทถะ ได้แก่ถูกเนระเทศจากแว่นแคว้นประทับอยู่ในป่านี้คําว่าบุญทั้งหลายฉันใดยะถาปุญญาณิความว่าพระองค์อย่าทรงยินดีด้วยบุญเพียงเท่านี้คือบุญที่ทรงทําไว้เป็นอันมากในกรุงเชตุดรบุญที่ทรงทำเช่นเมื่อวันวานพระราชทานพระโอรสธีดาวันนี้พระราชทานพระมเหสี ทรงบริจาคทานต่อๆไปแม้ยิ่งขึ้นกว่าที่กล่าวแล้วนั้นพึงบำเพ็ญบุญทั้งหลายตามสมควรเถิดครั้งนั้นท้าวสักกะเทวราชทรงมอบพระนางมสศีคืนแด่พระมหาสัตว์แล้วเมื่อจะแจ้งพระองค์ว่าเป็นพระอินเพื่อถวายพระพรจึงตรัสว่าข้าแต่พระราชฤาษีมอมฉันเป็นท้าวสักกะจอมเทพมาในสำนักของพระองค์ ขอพระองค์จงทรงเลือกพรหมฉันจักถวายพรแปดประการแดร่พระองค์เมื่อเท้าสักกะจอรเทพกำลังตรัสอยู่นั่นเองก็รุ่งเรืองเปล่งปลั่งด้วยอัตภาพทิพยสถิตยอยู่ในอากาศปานประหนึ่งเปล่งรัศมีอ่อนๆฉะนั้นแต่นั้นพระโพธิสัตว์เมื่อจะทรงรับพรจึงตรัสว่าข้าแต่เท้าสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งสรรพสัต ถ้าพระองค์จะประสาทพรแก่หม่อมชั้นไซส์ขอให้พระบิดาพึงยินดีมารับหม่อมชั้นขอพระบิดาพึงทรงต้อนรับหม่อมชั้นผู้ออกจากป่านี้ไปถึงเรือนของตนด้วยราชอาสพร น, นี้เป็นที่หนึ่งเป็นพรที่หม่อมชั้นปรารถนาอนหนึ่งขอให้หม่อมชั้นไม่พึงพอใจซึ่งการฆ่าคน แม้ผู้นั้นจะเป็นนักโทษถึงประหารชีวิตกระทำผิดอย่างร้ายกาจขอให้หม่อมชั้นพึงปลดปล่อยให้พ้นจากการถูกประหารชีวิตพรนี้เป็นที่สองเป็นพรที่หม่อมชั้นปรารถนาะอันหนึ่งขอให้ประชาชนทั้งปวงทั้งแก่เฒ่าเด็กและปานกลางพึงเข้ามาอาศัยหม่อมชั้นเลี้ยงชีวิตพรนี้เป็นที่สาม เป็นพรที่หม่อมฉันปรารถนาอันหนึ่งม่อมฉันไม่พึงคบหาภรรยาผู้อื่นพึงพอใจแต่ในภรรยาของตนไม่พึงลุอำนาจแห่งหญิงทั้งหลายพรนี้เป็นที่สี่เป็นพรที่หม่อมฉันปรารถนาอันหนึ่งข้าแต่เท้าสักกะขอให้บุตรของหม่อมฉันผู้พลัดพรากไปนั้นพึงมีอายุยืนนาน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 อิโตปตังได้แก่จากป่านี้ถึงนิเวศของตนคำว่าด้วยราชอาณจอาสนนะได้แก่ด้วยราชบัลลังคือพระเวสสันดรตรัสว่าขอพระชนกจงประทานราชสมบัติแก่มอมชั้นข้อว่ากระทําผิดอย่างร้ายกาศอาปิกิพิสการะกังความว่ามอมชั้นเป็นพระราชา พึงปล่อยนักโทษประหารแม้เป็นผู้ทําความผิดต่อพระราชาให้พ้นจากถูกประหารหม่อมฉันแม้เป็นถึงอย่างนี้ก็ไม่ชอบการประหารคําว่าพึงเข้ามาอาศัยหม่อมฉันเลี้ยงชีวิตมะเมวะอุ ป, ปชีเวยุงความว่าขอเขาเหล่านั้นทั้งหมดพึงอาศัยหม่อมฉันนี่แหละเลี้ยงชีวิต คำว่าพึงครองโดยธรรมธรรมเมนะชิเนความว่าจงชนะโดยธรรมคือจงครองราชสมบัติโดยเรียบร้อยด้วยคาว่าถึงชั้นดุสิตเป็นชั้นอันวิเศษวิเศสคูพระเวสสันดรตรัสว่าหม่อมชั้นจงเป็นผู้ไปสู่สวรรค์ชั้นพิเศษคือเป็นผู้บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตด้วยข้อว่า ครั้นจุติจากชั้นดุสิตนั้นแล้วไม่พึงเกิดต่อไปอนิพัตีตะโตอัดสังพระเวสสันดรตรัสว่ามอมชั้นจุติจากดุสิตพบนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์พึงเป็นผู้ไม่บังเกิดในพบใหม่ทีเดียวคือพึงบรรลุพระสัพพัญยุตยานพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าเท้าสกกะจจนเทพ ครั้นสดับพระดำรัสของพระมหาสัตว์นั้นแล้วได้ตรัสคำนี้ว่าไม่นานนักพระราชบิดาผู้บังเกิดกล้าวของพระองค์จากเสด็จมาทรงเยี่ยมพระองค์บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าจากเสด็จมาทรงเยี่ยมทัตตุเมสติความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระบิดาของพระองค์ประสงค์จะเยี่ยมพระองค์ จักเสด็จมาที่นี้โดยไม่นานนักก็แลครั้นเสด็จมาแล้วจากพระราชทานสเสวิตชัดแด่พระองค์แล้วเชิญเสด็จไปกรุงเชตุดรนทีเดียวความปรารถนาของพระองค์ทุกอย่างจักถึงที่สุดยาร้อนพระไทยไปเลยจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดมหาราชครั้นประธานโอวาทแด่พระมหาตว์อย่างนี้แล้วเท้าสักกะเทวราช ก็เสด็จไปสู่ทิพยสถานของพระองค์นั่นแหลพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าเท้าสุชมบดีมขวานเทวราชครั้นตรัสพระดำรัสดังนี้แล้วพระราชทานพรแดร่พระเวสสันดรแล้วได้เสด็จกลับไปสู่หมู่สวรรค์บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแด่พระเวสสันดร เวสันตเรได้แก่แก่พระเวสสันดรคำว่าได้เสด็จกลับไปอปักกรมิได้แก่เสด็จไปแล้วคือเสด็จไปโดยทันทีสกกะ บ, บพะวันน า, นาจบ